ถ้ามีใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเพลอเพ้อทุกทีที่เธอมา เพื่อว่าเธอสุดใจที่เราได้เจอเคลื่อนไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอ แต่มันก็ไม่จริงฉันน่ะมันเข้าใจเธออยู่เพราะว่ารู้จักเธอมา ก, กันเน่นอานรู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเรามันเพื่อ ก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมทำไมรักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน้าใจร้ายที่ทำเหมือนเธอ แต่มันก็ไม่จริงอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม จิง